การเมสุมิช่าจา์การแต่งงานเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งสาหรับมนุษย์เพราะสำหรับผู้ที่มีจิตใจยังไม่สูงพอที่จะเข้าถึงคุณธรรมในขั้นสูงการแต่งงานย่อมเป็นสิ่งจาเป็นเหมือนกับคนเราจำเป็นจะต้องรับประทานอาหารจะต้องดื่มน้ำจะต้องอาบน้ำซึ่งความจำเป็นในเรื่องนี้ย่อมมีอยู่เสมอแต่การแต่งงานหรือการเกี่ยวข้องในทางเพศ ถ้าหากกระทำไปโดยไม่มีคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจต่ำยิ่งคนที่หมกมุ่นอยู่ในทางนี้ก็จะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนอกจากจะลงนรกหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานคนส่วนมากที่ไม่เข้าใจในเรื่องชีวิตก็มักจะถือเอาเรื่องกามารมณ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและพยายามที่จะหาทางปนปลืให้มีความสุข ในรูปที่แปลกปล ก, ปลกออกไปทุกทีในเมื่อมีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นและครั้นแล้วตัณหาในเรื่องนี้ก็จะแผ่วงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้นตัณหาของเขาจะเปรียบได้เหมือนกับกระแสน้าที่ไหลเชี่ยวซึ่งถ้าใครตกลงไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะว่ายทวนกระแสและก็ยากที่จะว่ายเข้าหาฝั่งคนที่ประพฤติตัวในทางกามารมณ์ โดยไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเผือความพอใจเป็นหลักอย่างเดียวคนประเภทนี้มีแต่จะเพิ่มตันหาของตัวเองให้มากขึ้น้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าการแต่งงานถ้าจะถือว่าเป็นการบวชอย่างหนึ่งก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายจะต้องมีคารวะสธรรมซึ่งเปรียบได้กับศีลสีข้อเบื้องต้นของพระภิกษุ ซึ่งถ้าองค์ใดล่วงละเมิดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งก็จะเป็นอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระในทำนองเดียวกันผู้ที่แต่งงานแล้วถ้าหากฝ่ายใดยล่วงละเมิดคือไม่ประพฤติอยู่ในคารวะสธรรมแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งการแต่งงานก็จะไม่มีความหมายเพราะจะไม่ช่วยให้กิเลดเบาบางลงได้คุณธรรมต่างๆก็จะไม่เจริญ ถ้าปฏิบัติไม่ได้เลยทั้งสี่ข้อก็แปลว่าการเกี่ยวข้องกันในทางเพศนั้นก็จะมีความหมายอย่างเดียวกับสัตว์เดรัจฉานคือทาไปด้วยแรงสัญชาตญาณกล่าวคือความใคร่เท่านั้นแต่สําหรับสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่มีผลทําให้จิตใจของมันเร็วลงไปกว่าเดิมทางนี้ก็เพราะความฉลาดของมันอยู่ในขอบเขตที่จากัดมาก มันจะเกี่ยวข้องกับเทศตรงกันข้ามก็เฉพาะเมื่อถึงฤดูการของมันเท่านั้นส่วนมนุษย์มีความฉลาดความสามารถเหนือสัตว์มากมายเพราะฉะนั้นในเมื่อความใคร่มีมากมนุษย์ก็หาทางที่จะย่กยาวกิเลสอันนี้ให้ลุกโผลงอยู่เสมอโดยหารู้แม่ว่าการตำใจกิเลสในเรื่องนี้มีแต่จะเพิ่มความร้อนแรงให้มากขึ้น จนกระทั่งในที่สุดจิตใจก็จะต่ำลงเยี่ยงสัตว์เดราาัจฉานและในเวลาเดียวกันก็จะถูกกิเลสอันนี้แผดเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอและยากที่จะดิ้นหลุดออกมาได้ขอให้นึกถึงสภาพของคนที่มีความกดดันในเรื่องนี้กล่าวคือตอนเองมีความต้องการอยู่เสมอแต่โอกาสที่จะสนองไม่ค่อยมีหรือมีแต่ก็ไม่ทำให้อิ่ม ไม่ทำให้มีความสุขสมใจปรารถนาและส่วนมากในเมื่อหาทางออกในวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามศีลธรรมไม่ได้กิเลสอันนี้ก็จะบีบบังคับให้ดิ้นรนไปในทางที่ผิดๆครั้นแล้วก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะความผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมความยุ่งยากต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมากมายจนกระทั่งสะสางกันไม่ได้ คนที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้มีมากมายในสังคมขอให้พิจารณาดูให้ซึ้งคนที่มีความรักต่อกันอย่างแท้จริงคือเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมไม่ได้แต่งงานกันแล้วย่อมทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขมากและเพราะเหตุที่ทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกันอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจึงเป็นการไม่ยาก ที่ทั้งสองฝ่ายจะประพฤติอยู่ในคารวสศธรรมครั้นแล้วก็จะทำให้จิตใจเจริญก้าวหน้ากิเลสก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่จุดจุดเดียวคือความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงความรักที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมถ้าหากเราเข้าใจหลักอันนี้ดีเราก็คงจะเห็นได้ชัดว่า คนที่จะมีความรักต่อการอย่างลึกซึ้งและอย่างบริสุทธินั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวเมื่อรักใครแล้วก็รักจริงๆไม่คิดที่จะเปลี่ยนไม่เป็นชู้แม้กระทั่งในทางใจและก่อนที่จะมีความรักถึงในขั้นตกลงใจว่าจะแต่งงานกับใครนั้นเขาได้ศึกษาให้เข้าใจซึ่งกันและกันดีแล้วและก็แน่ใจแล้วว่า ความรักของตนประกอบไปด้วยคุณธรรมจริงๆ จ, ง จ, ง จ, งจึงได้แต่งงานกันความรักอย่างนี้มีคุณค่าสูงมากส่วนคนที่ฟุ่มเฟือยในเรื่องความรักรักคนไม่เลือกในเมื่อพบใครหรือรู้จักใครสนิทสนมกับใครถ้าหางอีกฝ่ายหนึ่งมีรูปร่างหน้าตามีวัยซึ่งทำให้ตัวเองเกิดความพิศวาสได้ก็เกิดความรัก และพร้อมอยู่เสมอที่จะทำอะไรตามความพอใจไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่แน่นอนหรือเอาความพอใจและการสนองความต้องการในทางเพศเป็นเกมกีฬาของชีวิตและคิดว่าการแสวงหาความสุขในทางนี้เป็นกำไรของชีวิตยิ่งแสวงหาได้มากกับคนเป็นจำนวนมากก็หมายถึงได้กำไรมากคนที่ประพฤติตัวในลักษณะที่กล่าวมานี้ เขาจะต้องประจักษ์ความจริงด้วยตัวเองเขาเขาอย่างหนึง่งกล่าวคือในเมื่อตนเองรักคนง่ายรักไม่เลือกเขาก็จะพบว่าคนอื่นก็จะรักตนเองง่ายและเวลาเดียวกันก็จะเบื่อง่ายจะไม่มีใครรักตนเองอย่างแท้จริงจะมีก็แต่เพียงความใคร่ต่อกันและกันเท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็จะได้รับความผิดหวังและความไม่สบายใจอยู่เสมอ ในตอนที่ตนเองยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวสแสวงหาความรักได้ง่ายก็จะไม่รู้สึกตัวเพราะคิดอยู่เสมอว่าเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรเพราะหาใหม่อีกก็ยังได้และเขาก็หาได้จริงๆหาได้เรื่อยๆการประพฤติตัวเช่นนี้เขาไม่รู้สึกตัวว่าเขากำลังเข้าไปในป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลและในเวลาเดียวกันไฟก็กาลังไหม้ป่า ไฟกำลังล้อมเขาอยู่แต่ว่าในขณะนั้นไฟยังอยู่ไกลยังไม่รู้สึกว่าตนเองถูกล้อมอยู่ในถ้ำกลางกองไฟแต่ในเมื่อไฟนั้นไหม้เข้ามาทุกทีเขาก็จะเริ่มรู้สึกร้อนและก็ร้อนแรงยิ่งขึ้นและในที่สุดก็หาทางออกไม่ได้เพราะไฟล้อมรอบไว้หมดแล้วถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ตายในกองไฟแต่ความร้อนที่มันพัดมาทุกทิศ ท, ทุกทาง ก็จะทำให้เขากระวนกระว์เร่าร้อนยิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเป็นเพราะมันมีกฎอยู่ว่าเมื่อใดกิเลสเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานเพราะฉะนั้นในเมื่อกิเลสอันใดเกิดขึ้นบ่อยบย่อยวิบากของมันก็จะมากขึ้นโดยลําดับด้วยเหตุนี้คนที่หมกมุ่นในทางนี้โดยไม่มีคุณธรรมนั้นกิเลส จ, จึงได้มากขึ้นโดยลําดับ และในเมื่อวัยหนุ่มวัยสาวผ่านพ้นไปแล้วหรือโอกาสที่จะแสวงหามันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่กิเลสในสั้นดานไม่ได้ลดน้อยหรือเบาบางไปตามอายุกล่าวคือในทางที่ถูกนั้นในเมื่อร่างกายรวยโรยความรู้สึกต่างๆนี้ก็ควรจะเบาบางลงสงบเยือกเย็นมากขึ้นตามวัยที่ผ่านไปในเมื่อมันตรงกันข้าม คือร่างกายร่วงโรยแต่กิเลสกลับหนาขึ้นแล้วผลมันจะเป็นอย่างไรขอให้พิจารณาจากชีวิตของคนทั่ ว, วไปท่านจะมองเห็นชัดทีเดียวว่าใครอยู่ในรกใครอยู่ในสภาพสัตว์เดรัจฉานคนที่มีความหิวแต่ไม่มีอาหารจะรับประทานหรือมีแต่ไม่อิ่มหรืออิ่มแต่ไม่ถูกใจจึงต้องมีความยิ้นรนสแสวงหาอาหารที่ตนเองพอใจ แต่แล้วหาไม่ได้สำหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนี้ท่านย่อมจะเห็นได้ชัดว่าอยู่ในทุกความทุกทรมานเพียงใดขอให้สังเกตว่าความหิวกระหายในทางจิตใ จ, จของคนที่ปล่อยตัวไปตามอนมานาจของกิเลสน้นความหิวกระหายในเรื่องนี้จะไม่มีวันสงบลงได้เลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะมีโอกาสเสนอความต้องการได้เสมอ ซึ่งก็ทำให้ความหิวกระหายสงบลงได้จริงแต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นครั้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกถ้ายิ่งตามใจมีโอกาสสนองได้มากความหิวกระหายจะเพิ่มมากขึ้นจะมีลักษณะอย่างเดียวกันกับคนที่ติดสราหรือว่าติดฟินถ้าหากเขามีโอกาสที่จะหาได้ง่ายเขาก็จะดื่มหรือสูบมากขึ้นและเลือกชนิดราคาแพงๆมากขึ้นโดยลาดำับ ในเรื่องกิเลสเกี่ยวกับตันหาราคาก็เช่นเดียวกันการสนองความต้องการไม่ได้หมายความว่าจะทำให้กิเลสน้อยลงอย่าลืมนึกถึงกฎที่ว่าเมื่อใดราคาเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบาคของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานและถ้าเกิดบ่อยก็หมายถึงวิบากของราคามีมากขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่ตามใจในเรื่องกิเลส กิเลสจึงมีแต่จะพอกทุนขึ้นและในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่แม้ตัวเองจะหมดโอกาสที่จะแสวงหาความสุขในทางนี้เพราะความชราหรือเพราะความจนหรือเพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะความจําเป็นอันใดก็ตามกิเลสที่ลุกครองอยู่ภายในมันจะทรมานอยู่เสมอและจะทรมานยิ่งขึ้นในเมื่อโอกาสที่จะสนองไม่มีเหมือนคนที่หิวอาหาร แต่ไม่มีอาหารจะรับประทานและความหิวก็ไม่ยอมหายและลองนึกดูว่ามันจะทรมานสักเพียงไรต่อย่างไรก็ดีทาไวแห่งจิตใจของคนที่ถูกกิเลสอันนี้ทรมานคนส่วนมากถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะมองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจแต่ถ้าได้มีโอกาสศึกษาถึงผลร้ายของความกดดันในทางอารมณ์ต่างๆว่า ออกมาในรูปไหนว่าก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากเลยภาวะของคนที่อยู่ในความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากความกดดันของจิเลตอันนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นนรกซึ่งจะนับว่าอยู่ในนรกขุมไหนก็สุดแล้วแต่ความร้อนแรงของจิเลตจะมีขนาดไหนและจงจำไว้ว่าถ้าในปัจจุบันตกนรก ก่อนที่จะตายยังไม่พ้นจากนรกก็เป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนว่าตายไปแล้วก็จะต้องตกนรกอีกซึ่งนรกในโลกของโอปะปะติกะนั้นมีความร้อนแรงยิ่งกว่าในโลกของมนุษย์หลายเท่าแต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะให้ท่านเชื่อตามเรื่องนิยายตามที่ปรากฏอยู่ในที่ทั่วๆไปซึ่งความจริง สภาพ น, นรกอย่างที่กล่าวไว้ในหนังสือพระมาลาัยหรือในคำพีอื่นๆนั้นเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบไม่ใช่ความจริงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาบ้างแล้วในหัวข้อเรื่องแวววเสียงสวรรค์ผู้ที่สนใจขอได้โปรดย้อนไปอ่านในหนังสือวิ ญ, ญญาณปี2509บางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ขึการปฏิบัติในทางเพศของมันไม่มีศีลธรรมทำไมมันจึงไม่ตกนรกทาไมนรกจึงจะต้องมีเฉพาะแต่มนุษย์สำหรับปัญหาข้อนี้ขอให้พิจารณาอย่างนี้กล่าวคือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายถึงแม้ว่ามันจะไม่มีศีลธรรมก็จริงแต่เนื่องจากสมองมันจำกัดความฉลาดอย่างมนุษย์ของมันไม่มีเพราะฉะนั้น มันจึงไม่รู้จักวิธีที่จะยั่วยาวให้กิเลสเกิดขึ้นอยู่เสมอและอีกประการหนึ่งความจําเป็นในเรื่องการหากินซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าได้มีอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้มันไม่มีโอกาสที่จะมาคิดถึงเรื่องเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงสังเกตเห็นได้ว่ากิเลสของมันอยู่ในวงจํากัดมันเคยมีมาอย่างไรในสมัยดึกดําบัน ถึงเดี๋ยวนี้มันก็มีอย่างนั้นสัตว์บางประเภทถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ไม่มากนักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเกี่ยวข้องในทางเพศก็ต่อเมื่อถึงฤดูการของมันเท่านั้นซึ่งฤดูการของมันก็จำกัดไม่ได้มีตลอดปีส่วนมนุษย์ตรงกันข้ามฤดูการที่จำกัดไม่มีฉะนั้น ถ้าใครคิดจะตามใจในเรื่องนี้ย่อมจะมีโอกาสตามใจได้เสมอยิ่งบางคนที่มีเวลาว่างมากไม่ลำบากในเรื่องการทำมาหากินมีความเป็นอยู่สะดวกสบายกิเลสอันนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นและวิตฐานมากขึ้นและด้วยเหตุนี้เองคนที่ประพฤติตัวในทางนี้เยี่ยงสัตว์เดรัจฉานจิตใจจึงได้ต่ำช้าและเรววซามขึ้นทุกที ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วและย้ำบ่อยครั้งด้วยว่าคนที่แต่งงานด้วยความรักอันบริสุทธิ์และประพฤติอยู่ในคารวะศธรรมกิเลสจะน้อยลงขอให้เราสังเกตดูอย่างนี้ก็ได้ผู้ชายบางคนที่ไปมั่วสุมอยู่กับผู้หญิงที่ขายตัวและมีโอกาสที่จะปรนเปรือกันได้อย่างเต็มที่โดยที่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นเลยนอกจากมีความใคร่เท่านั้น เขาจะไม่ได้รับความสุขจากด้านอื่นนอกจากในด้านการยั่วยา้วเท่านั้นฉะนั้นกิเลสจึงมักจะรุนแรงยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วและอยู่ร่วมกันด้วยความดีเราจะพบว่าเขามีความสุขหลายอย่างเช่นคุยก็มีความสุขทำงานด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันก็มีความสุขและเมื่อมีกิจธุระอะไรก็ช่วยกันทาก็จะรู้สึกว่า ชีวิตแต็มด้วยความสุขทั้งนั้นแม้แต่เพียงนึกถึงกันก็มีความสุขเพียงแต่เห็นหน้ากันก็มีความสุขและเป็นความสุขที่สดชื่นเยือกเย็นในเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความดีต่อกันและกันและในเมื่อมีลูกด้วยกันแล้วความสุขภายในครอบครัวก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ยากลำบากต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ทั้งสองคนก็จะมีกำลังใจช่วยกันฟันฝ่าพยายามเอาชนะให้ได้และในเวลาเดียวกันจิตใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นและอีกประการหนึ่งเพราะเหตุที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความดีต่อกันและกันเพราะฉะนั้นความกตันอยูต่อกันจึงเกิดขึ้นได้ง่ายความเห็นอกเห็นใจกันก็เกิดขึ้นได้ง่ายด้วยเหตุนี้ แม้ว่าการอยู่ด้วยกันนานๆจะทำให้เกิดความเคยชินจะทำให้ความพิศวาสซึ่งเคยมีนระยะแรกๆจืดจางลงไปบ้างอันเนื่องจากร่างกายสุดโทรมหรือว่าแก่ลงไปจะถึงกระนั้นเพราะความกระตันอยู่เพราะความเห็นอกเห็นใจกันและเพราะความดีที่เคยประทับใจมาอย่างมากมายนั้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงความรักที่ร้อนแรง เพรความพิสว่าน้นให้กลายเป็นความรักที่สุขุมและเยือกเย็นและมีความแน่นแฟ้นยิ่งกว่าความรักในระยะแรกซึ่งร้อนแรงมากแต่ก็อาจจะดับได้ง่ายความเห็นอกเห็นใจความกตันญูต่อกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยผูกพันจิตใจให้มีความรักต่อกันและกันอยู่เสมอและประการหนึ่งความรักลูก ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีต่อลูกนั้นอันนี้ก็จะช่วยผูกพันความรักระหว่างพ่อแม่ได้อย่างแน่นแฟนมากและยิ่งลูกประพฤติตัวดีเรียนหนังสือเก่งหรือมีชื่อเสียงเด่นในทางใดทางหนึ่งก็ยิ่งจะทำให้ความรักระหว่างพ่อแม่แน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าความรักลูกนี่แหละคือจุดเริ่มต้น ที่จะช่วยให้ตันหาราคะค่อยๆเปลี่ยนรูปไปในทางที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์และประพฤติตัวอยู่ในคารวะศธรรมจึงทำให้เกียรตน้อยลงได้ส่วนผู้ที่ไม่เคยประพฤติอยู่ในคารวาศธรรมปล่อยตัวไปตามอำนาจของเกียรตก็จะมีผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อพูดถึงศีลข้อกาเม คนในสมัยปัจจุบันมักจะยิ้มเยาะหรือไม่ก็ไม่เอาใจใส่เลยแต่ถ้าท่านได้ศึกษาถึงเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วท่านก็จะพบความจริงด้วยตัวของท่านเองว่าคนที่ไม่คิดจะถือศีลข้อนี้หรือตั้งใจจะถือแต่ถือไม่ได้เขาก็จะไม่มีวันพบความรักที่แท้จริงจะพบแต่ความรักที่หลอกลวงหรือความรักที่ไม่จรังยั่งยืน ซึ่งทำให้เขาจะต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆซึ่งการเปลี่ยนบางทีก็ทำไม่ได้ง่ายนักและในเมื่ออยู่กับความรักที่หลอกลวงนั้นความสุขที่แท้จริงในชีวิตของการแต่งงานย่อมจะไม่มีเมื่อความสุขไม่มีความอดทนต่อความยากลำบากหรือต่ออุปสรรคต่างๆก็ย่อมจะมีไม่ได้และในที่สุดความรักก็ต้องแตกสลาย แต่นั่นก็ไม่หมายความว่ากิเลสมันจะหายไปด้วยตรงกันข้ามกิเลสกลับจะร้อนแรงและฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ขาดเหตุผลมากขึ้นโดยลำดับขอให้นึกถึงภาวะของคนที่ขึ้นต้องยิ้มในนรกซึ่งเป็นภาพเปรียบเทียบของคนที่ประพฤติผิดในศีลข้อกามเมขอให้พยายามพิจารณาดูให้ดีและท่านก็จะเห็นว่า คนที่ปล่อยตัวในเรื่องนี้ไม่ต้องรอให้ตายในชีวิตประจำวันเขาก็ขึ้นต้นยิ้วอยู่แล้วจะไม่ขึ้นก็ไม่ได้เพราะกิเลสของตัวเองบังคับให้ต้องขึ้นและเมื่อปีนขึ้นไปก็ต้องเจอกับหนามนิ้วคอยทิ่มแทงและเมื่ออุตสาปปีนขึ้นไปจนถึงยอดแล้วก็จะต้องลงมาอีกเพราะมีกาปากเ็กคอยไล่จิกซึ่งหมายความว่าแม้ตัวเอง จะได้พยายามปีนป่ายหนามแห่งความรักไปจนถึงที่สุดสมความตั้งใจแต่แล้วก็ต้องมีเหตุบังคับให้จําเป็นต้องเลิกแต่แล้วในขณะที่เขาปีนลงมานั่นเองเขาจะต้องถูกหนามยิ้วทิ่มแทงอ อ, กอีกแม้จะเจ็บปวดอย่างไรก็ต้องทนเอาเพราะไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปบางคนคิดว่าคราวนี้เข็ดหลาบแล้ว ตั้งใจจะเลิกประพฤติเหมือนที่แล้วมาแต่แล้วในที่สุดก็อดไม่ได้อีกเพราะกิเลสมันหนาจำต้องปีนขึ้นต้นยิ้วไปอีกเวียนขึ้นเวียนลงอยู่อย่างนี้สภาพในลักษณะเช่นนี้ขอยพิจารณาดูจากคนทั่ ว, วไปแล้วท่านจะเห็นว่าคนที่ปล่อยตัวในเรื่องนี้ไม่เคยคิดที่จะถือศีลข้อนี้เลยนั้น เขาจะต้องปีนต้นยิ้วจริงหรือไม่คนที่ถือความสุขในเรื่องการมารมเป็นเกมกีฬาของชีวิตหรือบางคนถือว่าเป็นเหมือนอาหารซึ่งเราจะต้องกินฉะนั้นในเมื่อเราพอใจคนไหนเราก็ควรจะขอกันกินได้ในเมื่อเจ้าของเขาเต็มใจที่จะให้มันก็ไม่น่าจะมีผิดตรงไหนถ้าพิจารณากันอย่างผิวเผินก็น่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ถ้าพิจารณากันให้ซึ้งแล้วเราก็จะพบว่าคนที่เอาสิ่งเหล่านี้มาถือเป็นของเล่นไม่ใช่ถือเป็นเรื่องสำคัญและทุกคนก็ยังละความยึดถือในเรื่องตัวตนไม่ได้ยังลกความโลภไม่ได้ลกความเห็นแก่ตัวไม่ได้คุณธรรมต่างๆยังขาดแคลนอยู่มากนั้นทุกคนจะต้องเดือดร้อนกันอย่างแน่นอนจะทดลองกันดูก็ได้ คือเราลองสร้างสังคมกันมาสักกลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เต็มไปด้วยความโลภเห็นแก่ตัวจิตใจโดยทั่วไปต่ำแล้วก็ปล่อยให้เขามีเสรีในเรื่องการมารงถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นของเล่นขอกันกินได้ไง่ายๆไม่นานเท่าไหร่เราก็จะพบว่าบุคคลในกลุ่มนี้เต็มไปด้วยปัญหายุ่งยากและมีความเดือดร้อนต่างๆและโดยเฉพาะก็คือ การประหัดประหารหรือการทะเลาะวิวาจะมีอยู่เสมอและเป็นการแน่นอนคนที่หมกมุ่นอยู่ในทางนี้โดยไม่มีศีลธรรมนั้นจะไม่คิดสร้างสารรค์ความเจริญให้แก่สังคมนอกจากจะคิดแต่หาวิธีการที่จะตามใจตัวเองในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะทุกคนจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดี ยังมีสังคมอีกระดับหนึ่งคือถ้าบุคคลเหล่านี้โดยทั่วไปมีศีลธรรมเช่นมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมเป็นคนรู้จักรับผิดชอบไม่คิดจะทำความเดือดร้อนให้แก่ใครบุคคลในกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะมีการตามใจตัวเองในเรื่องกามารมไม่ค่อยจะถือศีลในข้อกาเมแต่ ถ้าหากพื้นจิตใจอยู่ในระดับนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือจิตใจอาจจะไม่ต่ำเหมือนกับบุคคลในกลุ่มแรกและอาจจะเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่านี้มีกำลังใจคิดสร้างสรรค์สังคมให้เจริญยิ่งขึ้นซึ่งถึงแม้ตนเองจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าลำบา ก, กบเพียงใดก็ทนได้และผลอาจจะออกมาในรูปนี้ก็ได้แต่ถึงประนั้น เราก็จะพบข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งว่าในเมื่อบุคคลในกลุ่มนี้แสวงหาความสนุกเพลิดเพลินในเรื่องนี้ได้อย่างเสรีเรื่องร้ายแรงต่างๆอาจจะไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่ในเมื่อตนเองมีความสุขในทางนี้จะกระทั่งหลงระเริงถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการทำงานคล้ายกับถือว่าเป็นน้ามันแห่งชีวิตซึ่งเปรียบเหมือนรถ ถ้าขาดน้ำมันก็ย่อมจะวิ่งไปไม่ได้ถ้าหากความยึดถือในเรื่องนี้ออกมาในรูปนี้แล้วเราก็จะพบว่าความสงบภายในจิตใจจะมีน้อยเพราะเปอร์เซ็นต์ของกิเลสมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดศีลธรรมที่มีอยู่บ้างแต่เดิมนั้นมันก็จะค่อยเสื่อมลงจนกระทั่งในที่สุดก็จะกลายเป็นสังคมเหมือนกับในกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว แต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราพยายามถือศีลข้อกาเมให้ได้ซึ่งจะทําให้เราได้พบกับความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆความรักแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นศรลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบุคคลในกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง โดยที่สังคมจะไม่ตกต่ำลงมาตราบใดที่บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมยังถือศีลข้อนี้อยู่